รวมเรื่องที่มีในกรร ม, มะขันธกะเรื่องภิกษุชื่อปันดุกะและชื่อโลหิตกะก่อความบาดหมางเองได้เข้าไปหาภิกษุผู้ประพฤติเหมือนกันแล้วก่อความบาดหมางยิ่งขึ้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็ขยายตัวออกไปภิกษุผู้มักน้อยมีศีลเป็นที่รักพากันตาหนิท่ามกลางบริษัท พระพุทธชินเจ้าผู้ทรงเป็นพระสยามภูอัครบุคคลทรงพระสัตยธรรมรับสั่งให้ลงตัดชนียกรรมที่กรุงสาวัตถีตัชนียกรรมที่เป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยคือหมวดที่หนึ่งลงลับหลังลงโดยไม่สอบถามไม่ลงตามปติญญาหมวดที่สองลงเพราะไม่ต้องอาบัต ลงเพราะอาบัติที่เป็นนาเทศนาคามินีลงเพราะอาบัติที่แสดงแล้วหมวดที่สามไม่โจทดก่อนแล้วจึงลงไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงหมวดที่สี่ลงลับหลังลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่หลงโดยไม่สอบถาม ลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่หไม่ลงตามปฏิญญาลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่เจลงเพราะไม่ต้องอาบัตลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกวากันลงหมวดที่8ลงเพราะอาบัตที่เป็นอเทสนาคามินีลงโดยไม่ชอบธรรม สงแบ่งพวกกันลงหมวดที่9ลงเพราะอาบัตที่แสดงแล้วลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่สิบไม่โจทย์ก่อนแล้วจึงลงลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่สิอไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงลงโดยไม่ชอบธรรม สงแบ่งพวกกันลงหมวดที่สิบสองไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงนักวินัยพึงทราบฝ่ายถูกตามในตรงข้ามกับฝ่ายที่ผิดสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุสามจำพวกคือ 1. ผู้กอ่อความบาดหมาง โง่เข่าและคลุกคลีกับคฤหัส 2. ผู้วิบัติในอธิศินในอั ช, ชาจาร์และในอติทิฏฐิ 3. ผู้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สงพึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งก่อความบาดหมางโง่เข่าและคลุกคลีกับคฤหัส 2. รูปหนึ่งวิบัติในอธิศินในอั ช, ชาจาร์และในอติทิฏฐิ 3. รูปหนึ่งเปล่าติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภิกษุถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วต้องประพฤติโดยชอบอย่างนี้คือไม่ให้อุปสมบทไม่ให้นิสัยไม่ใช้สามเณรอุปถากไม่สั่งสอนภิกษุณี ถึงได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่สั่งสอนไม่ต้องอาบัตนั้นอีกไม่ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกันนั้นและที่เล็วซามกว่านั้นไม่ตำหนิกรรมไม่ตาหนิภิกษุผู้ทำกรรมไม่งดอุโบสถและปะวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุไม่ทำการสอบถามไม่เริ่มอนุวาทาทิกรไม่ขอโอกาสภิกษุอื่น ไม่โจทภิกษุอื่นไม่ให้ภิกษุอื่นให้การและไม่ชักชวนกันก่อความทะเลาะสงไม่พึงระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5คือให้อุปสมบทให้นิสัยใช้สามเณรอุปถากสั่งสอนภิกษุณีแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนและองค์หอีกอย่างหนึ่ง คือต้องอาบัตินั้นต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกันนั้นต้องอาบัติที่เลวทรามกว่านั้นตำหนิกรรมตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คืองดอุโบสถปวารณาทำการไต่สวนเริ่มอนุวาทาธิกรให้ทำโอกาสโจทย์ภิกษุอื่น ให้ภิกษุอื่นให้การและให้ต่อสู้อธิกรณ์กันย่อมไม่พ้นความผิดจากตัดชนียกรรมนักวินัยพึงทราบฝ่ายถูกตามในตรงข้ามกับฝ่ายที่ผิดนั้นภิกษุเสยกะโง่เขามีอาบัติมากและคลุกคลีกับขฤรหัดพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหามุนี รับสั่งให้ลงนิยสกรรมภิกษุชื่ออัศชิและชื่อปุณพภภสุกะอยู่ในกีดาคิรีชนบทไม่สำรวมประพฤติไม่สมควรต่างๆพระสัมพุทธชินเจ้ารับสั่งให้ลงปกพาชนิยกรรมในกรุงสาวัตถีภิกษุสุธรรมอยู่ประจำในอาวาสของจิตตะข ะ, ะบดีในเมืองมัชชิกาสน ดาจิตตะอุบาสกด้วยคำหยาบกระทบชาติกำเนิดพระตถาคตรับสั่งให้ลงปฏิสารณียกรรมภิกษุฉันนะไม่ปราถนาจะรู้เห็นอาบัติพระชินเจ้าผู้อุดมรับสั่งให้ลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติในกรุงโกสัมพีภิกษุฉันนะ ไม่ปราถนาจะทำคืนอาบัตินั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนายกพิเศษรับสั่งให้ลงอุขเข・ปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติภิกษุอริฏฐะเกิดทิฏฐิบาปไปเพราะความเขาพระชินเจ้ารับสั่งให้ลงอุขเข・ปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐินิยสกรรม ปัปภาชนียกรรมและปฏิสารณียกรรมก็เหมือนกันบทเหล่านี้มีเกินในปับภาชนียกรรมคือเล่นขนองประพฤติไม่สมควรลบล้างพระบัญญัติและมิจฉาชีพเพราะไม่เห็นไม่ทำคืนอาบัตและไม่สลัทิฏฐิบา บทเหล่านี้มีเกินในปฏิสารณียกรรมคือมุ่งความไม่มีลาภกล่าวตํหนิมีชื่อว่าปัญจกะสองหมวดหมวดละหแม้ตัชนิยกรรมและนิยสกรรมก็เหมือนกันปภาชนียกรรมและปฏิสารณิยกรรมย่อนและยิ่งกว่ากัน8ข้อสองหมวด การจำแนกอุขเขปนณิยกรรมสามอย่างก็เช่นเดียวกันนักวินนยพึงทราบกรรมที่เหลือตามในแห่งตัชนิยกรรมกรรมมะขันธกะจบ